คำว่าเธอพึงเป็นผู้มีโคจรในศาสนานี้อย่างไรคือภาษารียบด์เนี่ยถามถึงโคจรว่าพิโสนั้นน่ะพึงเป็นผู้ประกอบด้วยโคจรโคจรเนี่ยนะโดยศัพท์แปลว่าโคเที่ยวอ่ะแปลว่าที่ไปอ่ะนะควรจะไปที่ไหนอ่ะมีชนิดอย่างไรมีส่วนเปรียบอย่างไรแต่ก็โเรียกเรียกว่าเรื่องโคจรก็แบ่งเป็นสองอย่างนะคืออะโคจรกับโคจรอะโคจรก็คือที่ที่ไม่ควรไปกับโคจรที่ที่ควรไป โครจรที่ที่ไม่ควรไปเป็นฉไหนก็คือพิกสุในธรรมะมิัยนี้ น, นะเป็นผู้มีหญิงแพทย์สยเป็นที่โครจร น, น, นะไปบินธบาตแต่ในสํานักโสเภณีนั่นแหละว่างั้นเป็นผู้มีหญิงไม้เป็นโครจรมีสาวเถือเป็นโคจรมีบรรดอเป็นโคจรมีภิกษุณีเป็นโครจเโค ร, จพ เ, ครจเพราะฉะนั้นที่แถวนี้ไม่ควรโครจรไปเพราะไปนี้ยก็ พรมจรนท์ก็อันตรายสูงในขณะเดียวกันถึงพรหมจันทร์ไม่เสียหายก็เสียชื่อนะคนก็ไม่ค่อยชอบคนก็หวาดระแวงตำหนิไปทําอะไรแถวนั้นนะนะหรือว่าโรงสุราเนี่ยนะนะพวกบาร์คาเฟ่สวนอาหารร้านอาหารก็อย่าไปนะไม่จําเป็นก็อย่าลงไปข้างล่างสวนอาหารพวกนีก้อย่าลงไปไม่ว่าจะการคลุกคลีด้วยพระราชาอํามาตย์ของพระราชาเดรถถัธีสาวกของเดรถถัธีด้วยการคลรุกคลีกับเครือข่าที่ไม่สมควรก็อย่าไปคลุกคลี อันนี้เรียกว่าอะโคจรเนี่ยนะอย่าอย่าไปคลุกคลีแบบนั้นหรือสกุลบางแห่งบางสกุลบางครอบครัวบางตระกูลเนี่ยนะที่ไม่เลื่อมสายไม่เป็นดุดบอ่อน้ามักดา่าบริพาสมุ่งความเสื่อมมุ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลมุ่งความไม่สบายมุ่งความไม่ปลอดโปรง่งจากโยค่ากิเลสแก่พวกพิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนะ แม้ทั้งสัมมาเนสัมณเนรีเป็นต้นเนี่ยนะพวกไหนเป็นปฏิบัติต่อศาสนาอย่าไปครบมันเนี่ยนะอย่าไปพูดอย่าไปคุยด้วยมีประโยชน์อะไรเพริกษวย่อมซ่องเสพคบหาติดตอ่อกับสกุลเห็นป่า น, นั้นเรียกว่า อ, าโอัโคจรถ้าใครไปคุคกคีเกี่ยวข้องกับสกุลไม่มีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าอัโคจรแล้วว่างั้นส่วนอัโคจรเนี่ยนะคือความไม่สำรวมบอกภิกศุเข้าไปสู่ละแวกบ้านเดินไปตามถนนเป็นผู้ไม่สำรวมเดินไป ไม่สํารวมก็ดูช้างบังดูม้าดูรถดูพนเดินเท้าไปดูสตรีบุรุษและดูกุมารกุมารีดูร้านตลาดดูหน้าเรือนมุกดูข้างบนดูข้างล่างดูทิดน้อยทิดใหญ่ยังก็ว่าจะไปจ่ายตลาดเองอย่างนั้นนะเนี่ยในการดูประเภทนี้ก็อย่าไปอย่าไปดูจะเดินก็อย่าไปล็อกแลกแบบนั้นเห็นไหม อีกอย่างหนึ่งที่สู่เห็นรูปด้วยจกักษุแล้วถือโดยนิมิตถือโดยอนุพยัญชนะไม่ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนศีที่ไม่สํารวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอลามโมกเขื่อพิชาและโทมนัสครอบงําพันย่อมไม่รักษาจักขุนศีถึงความไม่สํารวมในจักขุนศีอย่างนี้เขาเรียกว่าอะโคจรเหมือนกะันนี่ การไม่สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่ไปถืออารมณ์โดยนิมิตโดยอนุพยัญชนะแล้วก็ไม่ปฏิบัติเพื่อสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่สํารวมแล้วเสียหายยังไงคือถ้าไม่สํารวมแล้ว่ะก็เป็นเหตุให้อกุสุรธรรมอัลา ม, มกไม่ว่าจะเป็นอภิชาและโทมนัสครอบงํา สำหรับผู้ที่ไม่รักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ถึงความสํารวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจทําตัวแบบนี้ก็เรียกว่าอาโครจรเ น, นี่ยนะเที่ยวไปในในที่ที่ไม่ควรเที่ยวไปหรืออีกอย่างหนึ่งเหมือนอย่างว่าท่านสมณะพราหมณ์บางพวกฉันโภชนาที่เขาให้ด้วยศ า, าัธาแล้วก็ขวนขวายในดูการละเล่นอันเป็นฆ่าศึกแกกากุศลคือไปดูการฟ้อนการรําการประคมดูมหรสพดูการรําเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นการเล่านิยาย เพลงปรบคล้องระนาดหนังเพลงขอทานไตยราวเพลงการเล่นหน้าศพไปดูการชนช่างชนมาชนโคชนแพชนแกะชนไก่ชนนกกทากลนะตกระบีกระบองชกมวยมวยปล้ำมันนะมวยโลกทั้งหลายพระไป น, นั่งจ่อ ย, อยนะั่นน่ะหน้าทีวีกีฬาทั้งหลายเป็นต้นไะอ้พวกนี้ไม่ควรดูทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นการรบการตรวจพนการจัดกระบวนทัรการจัดกองทัพ สมณะพราหมณ์บางพวกเนี่ยควรขวายในการดูการละเล่นอันเป็นขาาสึกแก่กุศลเห็นป่านี้เรียกว่าอักโคจรเนี่ยนะไปดูไม่ควรดูนะถามว่าถ้าดูอย่างนั้นมากๆไปเนี่ยาศาสนาเจริญไหมศีลเจริญขึ้นสมถะวิปสัสนาเจริญขึ้นไหมโดยมากยากแม้ที่สุดการมคุณ5ก็เรียกว่าโคจรรูปสวยๆเสียงพร้อๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอักโคจร สมจริงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด้วยว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าเที่ยวไปในแดนซึ่งเป็นอะโคจรดูก่อนพิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายเที่ยวไปในแดนซึ่งเป็นอะโคจรมานจากได้ช่องมานจากได้อารมณ์ดูก่อนพิสูทั้งหลาย แดนที่เป็นอะโคจรแห่งพิสุเป็นชนัยก็คือกามคุณห้านี่แลกามคุณห้าเป็นชนัยรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุอันหน่าปราถนาน่าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูอันหน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดเตลินรถโพธพะเนี่ยที่รู้แจ้งด้วย โหมด้วยลิ้นด้วยกายอันหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดดูก่อนพิสูุทั้งหลายนี้เรียกว่าเป็นอโคจรของพิสูุเนี่ยนะไม่ควรเที่ยวไปในรูปในอารมณ์เหล่านี้ส่วนโคจรเป็นฉะไหนถ้าโคจรนะเมื่อกี้ทั้งหมดที่กล่าวไปเป็นอโคจรเป็นที่ที่ไม่ควรไปไม่ควรเที่ยวไม่ควรรับรูปไม่ควรไปสนใจในอารมณ์เหล่านั้น ส่วนโคจรก็คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นผู้มีหญิงแพทย์สยาหญิงม่ายสาวเถ้อบันเดาะภิกษุณีโรงสุราเป็นต้นเนี่ยเป็นโคจรไม่คลุกคลีด้วยพวกพระราชามหาอามาตย์ของพระราชาเดรธีสาวกเดรธีด้วยการคลุกคลีกับครือัดอันไม่สมควรหรือไม่ว่าจะสกุลบางแห่งที่สกุลที่ควรโคจรก็คือสกุลที่มีศรัทธาเลื่อมสายดุดบ่อน้ํารุ่งเรืองด้วยผ้ากาสาวพัด เป็นที่เดินสวนกันเข้าออกแห่งพิกษุผู้สแสวงหามุ่งความเจริญมุ่งประโยชน์มุ่งความเกื้อกูลมุ่งความสบายมุ่งความปลอดโปร่งจากโยคะกิเลสแก่พวกพิกษุภิสุณีอุบาโสอุบาสิกาพิกษุย่อมเสพคบหาสมาคมกับสกุลเห็นปานั้นเรียกว่าโครจรนะเนี่ยเช่นคบผแบบผูการทธงชัยเอาไว้อย่างเงี้ยนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นสกุลที่เป็นโครจรอ่ะนะ หรือว่าภิกษุย่อมไปสู่ละแวกบ้านก็ไปตามถนนก็เป็นผู้สำรวมเดินไม่ดูแลดูช้างดูมา้าดูพลเดินเท้าเป็นต้นเนี่ยนะก็สำรวมในการเดินไปเนี่ยนะไม่ใช่ลกเล็กเหมือนลิงหรือว่าเป็นผู้สำรวมเนี่ยนะเห็นรูปด้วยจกักษุเนี่ยนะฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรดด้วยลิ้นถูกต้องโพธาภาด้วยกายนึกคิดธรรมอารมณ์ด้วยใจยเนี่ยนะไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุปยัญชนะ เมื่อสังวร อ, อย่างนี้บาปอาคุศลแลธรรมก็ไม่ครอบงำในทวารทั้ง6นี่เรเรียกว่าผู้สำรวมอินทรีย์นี่นอันนี้ก็เป็นโคจรเหมือนกันหรือว่าบริโภคแล้วก็ไม่ขวนขวายในการดูการละเล่นอันเป็นแก อ, อันเป็นค่าสึกแกคุศลคือการฟ้อนรำขับร้องประโคมเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่มุ่งไปดูสิ่งเหล่านั้น่ะที่ถือว่าเป็นอโคจรนั้นการงดเว้นจากการดูการละเล่นเป็นต้นก็เรียกว่าโคจร แม้สติปฐานสีก็เชื่อว่าโคจรโคจรคือที่สมควรเที่ยวนะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในแดนของบิดาของตนซึ่งเป็นโคจรดูก่อนพิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายเที่ยวไปในแดนเป็นของบิดาของตนซึ่งเป็นโคจรมารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ ดูการพิสุทั้งหลายก็แดนเป็นของบิดาของตนซึ่งเป็นโคจรของพิสษุคืออะไรคือสติปฐานสสติปทานสี่เป็นไฉไหนะดูการพิสูนทั้งหลายภิสษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอยู่ เป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอยู่ดูก่อนพิสูุทั้งหลายนี้เรียกว่าเดนเป็นของบิดาของตนซึ่งเป็นโครจรของพิสษุเนี่ยนะ การเจริญสติปัฏฐานสีนี่แหละเรียกว่าการโครจรไปตามวิสัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะพระพุทธเจ้ า, าทั้งหลายพระองค์โครจรไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นบุตรสมควรที่จะโครจร อ, อย่างนี้มานก็จะไม่ได้ช่องมานก็จะไม่ได้โอกาสเนี่ยนะนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้มีโครจรในาศาสนานี้คําว่าเป็นผู้มีศีลและวมีวัดเนี่ยนะคำว่าเป็นผู้ภาษาริบุตร คือย่อมทูลถามถึงความบริสุทธิ์แห่งศีลและวัดว่าภิกษุนั้นพึงเป็นผู้ประกอบด้วยศีลและวัดอย่างไรคือด้วยศีลและวัดที่ดำรงไว้อย่างไรมีชนิดอย่างไรมีส่วนเปรียบอย่างไรความบริสุทธิ์แห่งศีลและวัดเป็นไนก็คือบางแห่งเป็นศีลและเป็นวัดบางแห่งเป็นวัดแต่ไม่เป็นศีลส่วนศีลและวัดนี่เป็นไนทั้งเป็นศีลเป็นวัด ศีลและวัดก็คือพิสูจนในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยความสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระเละโคจรเป็นผู้เห็นภายในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายความสำรวมความระวังความไม่ก้าวล่วงในสิกขาบททั้งหลายนั่นนี้เป็นศีลส่วนความสมาทานเนี่ยเป็นวัด พ anyone, ing, قال, mismos, ระอาถาว่าสสำรวมจึงชื่อว่าศีลพระอาถาว่าสมาทานจึงชื่อว่าวัดนี่เรียกวศีลมาวัดเนี่ยนะความสำรวมชื darum, อ่อว่าศีลนะความสมาทานชื่อว่าวัดเหมือนกันส่วนที่เป็นวัดแต่ไม่เป็นศีลเป็นวัดนะแต่ไม่ใช่ศีลหรอกคืออยู่ในกลุ่มศีลอะแต่ตรงตรงเขาไม่ใช่ศีลคือก็แล้วแต่ใครจะสมาทานประพฤติหรือไม่เช่นอยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดถือผ้าบังสกุลเป็นวัดไตรจีวรเป็นวัด ถือบิณฑบาตตามลําดับตรอกเป็นวัดห้ามหาวนที่เขามาส่งในภายหลังเป็นวัดเนี่ยนะถือเนสัตชิกเป็นวัดถือเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัดเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นวัดแต่ไม่เป็นศีลมันก็คือธุดงเนี่ยเป็นวัดแต่ไม่ใช่ศีลนะนะแต่ถ้าผู้ใดสมาทานก็นับว่าเป็นวัดส่วนการสมาทานความเพียรก็เรียกว่าวัดแต่ก็ไม่เป็นศีลเพราะศีลเน้นไปที่ปาฏิโมกขสังวรเป็นต้นนะนี อย่างเช่นการสมาทานความเพียรเหมือนพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยประคองตั้งพระไทยว่าจงเหลืออยู่แต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงแห้งไปเถิดผลอันใดที่บุรุษพึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยกําลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบันของบุรุษการไม่บรรลุผล น, นั้นแล้วหยุดความเพียร น, นั้นจักไม่มีถ้าไม่บรรลุไม่เลิกว่างั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวัดแต่ไม่ใช่ศีล หรือภิกษุประคองตั้งจิตไว้ว่าลูกสอนคือตันหาเรายังถอนไม่ได้แล้วจักไม่กินจักไม่ดื่มจักไม่ออกจากวิหารทั้งจักไม่เองข้างคือไม่นอนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวัดเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ศีลหรือพระโพธิสัตว์ตั้งพระไทยประคองว่าเราจักไม่ทําลายบรลลังนี้จนกว่าเรียกว่าจนตลอดเวลาที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นนี้ก็เรียกว่าเป็นวัดแต่ก็ไม่ใช่ศีลหรือภิกษุประคอง จิตไว้ว่าจิตของเราไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเพียงใดเราจักไม่ลุกขึ้นจากอาสนะนี้เราจักไม่ลงจากที่จงกรมนี้จะไม่ออกจากวิหารนี้จะไม่ออกจากเรือนมีหลังคาแถบเดียวไม่ออกจากปราสาทเรือนโลนจากเพิงจากถ้าจากกุฏิจากเรือนยอดจากป้อมจากโรงกลมจากที่มีเครื่องกั้นหรือไม่ออกไปจากที่บารุงไม่ออกจากมณฑบไม่ออกไปจากโคนไม้นี้เพียงนั้นไม่บรรลุไม่จาก่ะ อย่างนี้ก็เป็นวัดนะแต่ไม่ใช่ศีลนะวัดนี้ควรสมท า, านนะคาว่าภิกษุประคองจิตไว้ว่าเช้านี่แหละเราจะต้องนํามาจักนํามาพร้อมจักบรร ล, ลุจักถูกต้องทําให้แจ้งอริยธรรมบรร ล, ลุเช้านี่แหละให้ได้อันนี้ก็เป็นวัดนะนะแต่ก็ไม่ใช่ศีลหรือว่าจักบรรลุในเที่ยงนี้แหละเย็นนี่แหละก่อนอาหารหลังอาหารยามต้นยามกลางยามหลังฤดูร้อนฤดูต้นฤดูดดดดดด รูดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนหรือว่าวายต้นวายกลางวายหลังเนี่ยนะราจะบรรลุให้ได้ซึ่งอริยธรรมทั้งหมดที่กล่าวเรียกว่าเป็นวัดแต่ก็ไม่เป็นศีล น, นี้เป็นความบริสุทธิ์แห่งศีลและวัดภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยความบริสุทธิ์แห่งวัดและศีลและวัดอย่างนี้ควรปฏิบัติแบบนี้นะไม่ใช่ห้ามนะนี่แหละคือแนวทางที่เราจะปฏิบัติควรตั้งจิตที่จะประพฤติสมารานแบบนี้ คำว่าอ บ, บรมตนอยู่เนี่ยนะอ บ, บรมตนว่าปรารบความเพียนแรงกล้ามีความบากบันมั่นคงไม่ได้ปลงธุระไม่ได้ทอดธุระเนี่ยนะไม่ปลงฉันท่าในธรรมะฝ่ายกุศลธรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้ส่งตนคือสละอัตภาพร่างกายและชีวิตอันตนเนี่ยภิกษุมุ่งไปในอรหัตผลอันเป็นประโยชน์ของตนเนี่ยนะในอริยมรรค ในลักษณะในเหตุฐานะอาฐานะคือส่งตนเนี่ยนะไปว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกขรร์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมเนี่ยนะทั้งโดยแทงตลอดอริยสัจสี่แทงตลอดวันนี้อาสวะนะแทงตลอดอาสวะอาสวะสมุทยัยอาสวะนิโรธอาสวะนิโรธาคามินีปฏิปทาหรือแทงตลอดอริยสัจ4ี่ น, นะหรืออภิญเ ย, ยธรรมปริญเ ย, ยธรรมภาเวตปาธรรมสัชิกาตาปาธรรมหรือว่าเหรู้เหตุเกิดความดับอสาศะธาทีนวะนิสารณะของภาษายตนาหอุปาทานขันห้ามหาภูตรูปสี่หรือส่งตนไปว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดานั้นสรุปคถาที่กล่าวไปว่าภิกษุเมื่ออ บ, บรมตนก็คืออ บ, บรมตนเนี่ยนะคือ เอาจิตเนี่ยมุ่งสูกการบรรลุอรหัตผลอย่างนี้เนี่ยเธอพึงเป็นผู้มีคลองแห่งถ้อยคำคือถ้อยคำที่ที่ควรพูดเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีโครจรในศาสนานี้เป็นผู้มีศีลและวัดอย่างไร